ก็ทบทวนได้นะเขาทบทวนได้เช็คอยด์อะนะบัญชีประจําปีอริยทรัพย์ปีนี้เป็นยังไงเจริญบ้างไหมเนาะศรัทธาในพระรัตนตรายเจริญขึ้นไหมวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะต้องมาทบทวนบัญชีอริยทรัพย์อย่าลืมว่าทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันแค่อย่างเดียวเท่านั้นคือทางโลกหาโภกทรัพย์ทางธรรมแสวงหาอริยทรัพย์มาตรวจสอบบัญชีอริยทรัพย์ว่ามีเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะเป็นยังไงศรัทธาในพระรัตนะตรายต้นปีกับท้ายปีเนี่ยนะ ถ้ามันเท่าเดิมก็แปลว่าเลวลงเพราะเปลืองเวลาไปตั้งปีหนึ่งงั้นนะอะนะทีนี้ก็ดูว่าวิอ่ศีลเป็นยังไงบ้างรักรู้สึกรักศีลขึ้นมากไหมหรือว่าอศีลก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหล ะ, ะถ้าอย่างนี้ก็ห่างมากแล้วฮีโรโอตะปะอายชั่วกลัวบาปแรงกล้าเพิ่มขึ้นไหมก็เช็คดูอีกทีหนึ่งแล้วฟังอะไรมาว่างตลอดตีเนี่ย น, นะ ฟังคําสอนอะไรมั่ง you know? อะไรมั่งที่เราเข้าใจอะไรมั่งที่ยังไม่เข้าใจไอ้ที่เข้าใจก็ให้รู้ว่าเข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ให้รู้ว่ามันเข้าไม่เข้าใจไอ้ที่เหมือนเข้าใจก็เหมือนเข้าใจไอ้ที่ไม่เข้าใจก็ว่าไม่เข้าใจไอ้ที่เข้าใจมันเข้าใจแค่ไหนแล้วมันต้องเจริญเติบโตขึ้นอีกอย่างไรต้องตรวจสอบให้ได้ให้หมดเนี่ยนะแล้วก็ต่อไปนะสุจากฆเนี่ยสละอะไรออกไปบ้างนะนะมวลรวมการทําบุญประจำปีนี่มีอะไรบ้าง นให้ทานกี่ครั้งวัตถุทานมีปริมาณเท่าใดนนะกุศลทานที่เกิดในการให้จำนวนแห่งเจตนาที่ให้มีกี่ครั้ง ให้เรื่องอะไรบ้างให้แล้วปุพหะเจตนาดีไหมให้แล้วอภรเจตนาดีไหมให้แล้วอภรารพระเจตนาดีไหมระลึกขึ้นตามมาแล้วมันผ่องใสไหมให้มีปัญญาประกอบหรือเปล่าให้เป็นปาติปุกลิขทานหรือว่าให้เป็นสังฆทานให้เป็นวัตถุทานหรือให้อภัยทานหรือให้ธรรมทานเนี่ยนะก็มาแยกบสรุปสรุปสมุดบัญชีสารีทรัพย์ประจําปีเนี่ยนะว่าเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงที่จริงนะทางธรรมะเขาสรวจทุกวันนั่นแหละ ถ้เป็นพระสมัยพุทธการเขาตรวจกันทุกวันก็ เ, เช็ค ก, กันอย่างนี้ทุกวันเอาของเราเอาปีหนึ่งเช็คครั้งหนึ่งก็แล้วกันมีโอกาสเช็ค ก, กี่รอบเนาะอีกกี่รอบอะไรนะไตรามาสที่หนึ่งไงตรามาสที่สองไตรามาสที่สามไตรามาสที่สี่ก็ครบสิองเดือนพอดีเนี่ยนะนี้เราก็มาพยายามทบทวนนะว่าอาริยทรัพย์ของเราเพิ่มไหมเนี่ยนะเพิ่มขนาดไหนแล้วปัญญานี่เข้าใจอะไรมัง่ง ปัญญาเนี่ยเข้าใจปฏิจจสมุปบาทขนาดไหนเข้าใจกรรมเข้าใจผลของกรรมมีกรรมมศกตาดีขนาดไหนเหตุเกิดของความเกิดเหตุเกิดของโลกความดับของโลกข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกมันเป็นยังไงพุกเป็นยังไงสมุทัยเป็นยังไงนิโรธเป็นยังไงมรรคเป็นยังไงเนี่ยนะมาเช็คมาตรวจสอบดูชําระอริยทรับเนี่ยนะก็ดูเอาแล้วก็หรือไม่ก็โพธิปักขยธรรม 37. สาสิบเจดสติปฐานจะได้อะไรบ้าง สิบี่บับเพาเนี่ยรู้เรื่องไปแล้วกี่บับเพาอีกเหลือกี่บัพเพาที่ยังไม่เข้าใจไอ้ที่รู้เรื่องแล้วทาได้แค่ไหนมันอยู่ในชีวิตจริงหรือว่ายังอยู่ในหนังสือเนไเวทนานุปัสนาเวทนาเก้าเข้าใจแค่ไหนเข้าใจว่าอย่างไรไอ้ที่เข้าใจเนี่ยพอไหมที่จะพ้นทุกข์จิตตานุปัสนาเนี่ยเป็นยังไงมั่งจิตแต่ละดวงเป็นยังไงเข้าใจว่าจิตคืออะไรรู้จักจิตนี่รู้ให้มันเป็นอะไรรู้ว่ามันกลับกรอกก็เลยปล่อยมัน อย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่ารู้ให้มันเป็นอะไรรู้เพื่อฝึกจิตเพื่อคมจิตเพื่อฝึกจิตเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพจิตที่เป็นกุศลให้กุศ ล, ลจิตนี่มีกําลังกล้าแกล่งยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ไล่ต่อไปอีกว่าธรรมานุปัสสนาเนี่ยนะนิวรณห้เราล ะ, ะขันห้ารอบรู้เท่าไหร่อายตนะสิบสอรอบรู้เท่าไหร่นิวรณห้าละได้แค่ไหนพ่อชง 7, จเจ็ดเจริญอะไรได้บ้าง อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดขอไปอริยสัจสี่เนี่ยนะทำกิจได้แค่ไหนสัมมประทานสีน่เพียรละบาปเพียงระวังบาปเพียรเจริญบุญเพียรเพื่รักษาบุญแล้วก็เพิ่มปูนบุญให้มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไปถึงไหนอิทธิบาทอะไรมัง่งเป็นบาทแห่งการปฏิบัติตอนนี้ปฏิบัติมีฉันทะนําหน้ามีวิริยะนําหน้าหรือมีจิตนําหน้าหรือว่ามีวิมังสานําหน้าในการปฏิบัติในการเจริญกุศลธรรมเพื่อนําออกจากทุกเนี่ยนะ สัทธาสัททินรีเนี่ยนะสัททินรียในโสตาปฏิยังฆะธรรมสีดีแค่ไหนเป็นอย่างไรเนี่ยนะวิริยินรีย์ในสัมมประธานสีดีแค่ไหนสติินรี์ในสติประธานสีเป็นอย่างไรมันใหญ่แค่ไหนและอธิบดีกรมอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะสมาธินรีนี่เป็นยังไงควบคุมอะไรได้บ้างปัญญินรีเนี่ยรู้อะไรไมันเข้าใจอะไรบ้างเนี่ยนะพ่อชงสติสัมพ่อชงเป็นต้องเกือบรบรลุหรื อ, อยังหรือทำท่าก ว่า oh, อีกนานไม่มีวี่แววเลยนะเงียบเลยนะหายสนิทน่ย น, นะก็ดูว่าโพ่อชองเนี่ยมันเป็นยังไงเกือบบรร ล, ลุใกล้จะบรร ล, ลุหรือไม่มีวี่แววว่าจะบรร ล, ลุหรือเพิ่งบ่มอินทรียังไงนะแล้วองค์มรรคเป็นยังไงสัมมาทิฏฐิรู้อริยสัจแค่ไหนสัมมาสังกัปปะ ก, กุศลสังกัปปะกับอกุศลสังกัปปะอันไหนมากกว่ากันมิจฉาวาจากับสัมมาวาจาเนี่ยนะพูดถึงพระพุทธเจ้าก็พูดถึงคนอื่นพูดถึงใครมากกว่ากันเนี่ยก็มาไล่ดู เป็นสัมมาวาจาหรือว่าเป็นมิจฉาวาจาที่ทําอยู่ทําด้วยกุศลหรืออกุศลกรรมันตะอาชีวะเป็นยังไงนะนะแล้วก็ในด้านอาชีวะการเลี้ยงชีพของเราเป็นยังไงเลี้ยงตนก็เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวก็เป็นสุขเป็นต้นไหมแล้วสติปทานเนี่ยนะสติในสติปทานสี่เนี่ยสัมมาสติในสติปทานสี่เป็นยังไงสัมมาสมาธิในฌานสี่เป็นยังไงเรียกว่าตรวจสอบอริยรัพย์พอที่จะมีอริยรัพย์ คือถ้าไม่ออย่างคนที่พระองค์ตรวจดูว่าบรรลุได้หรือไม่อ่ะคือคนเหล่านั้นสามารถเจริญอริยรัพย์ได้ไหมสามารถสร้างอริยรัพย์ได้ไหมเนี่ยนะถ้าเขาสามารถเจริญอริยรัพย์ได้เพิ่มพูนอริยรัพย์คืออริยสัพย์ในผู้ศาสนานะคืออะไรพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินัยนี้มีข้อที่น่าอัศจรรย์ แปประการในธรรมวินัยที่ทําให้พระอริยบุคคลเนี่ยยินดีมากในธรรมวินัยของพระองค์ยินดีมากในศาสนาของพระองค์อริยทรัพย์เหล่านั้นก็คือสติปัญญาสัมมปาปัญญาอิทธิบาทอินทรียีพร ะ, ะโพชฌงและองค์มัชคือมีรัตนะเนี่ยรัตนะแปลว่าเครื่องปลื้มใจ เป็นใช้เป็นของที่หายากเป็นของใช้สอยของบุคคลพิเศษว่า ง, งั้นเถอะไม่ใช่เป็นของหาได้ง่ายๆแล้วอริยทรัพย์เราเนี่ยเราได้แค่ไหนมรดกอันเนี้ยได้จากพระพุทธเจ้าเท่าไราแล้วก็อย่างไรพอที่จ ะ, ะมีทรัพย์ขนาดนี้พระองค์พิเศษให้เป็นบุตรได้ไหมพราะบุตรของพระองค์เนี่ยเริ่มตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปนั้นคนที่เจริญธรรมะนั้นมันจึงมีแต่เบาขึ้นกุศลเนี่ยเบาขึ้น นำไปสู่ภาวะที่สูงขึ้นอกุศลเนี่ยเป็นภาวะที่ตกต่ำแล้วก็ฉุดลงให้ตกต่ำในระหว่างกุศลกับอากุศลอันไหนเจริญดีกว่ากันนึกถึงใครและเจริญกุศลได้ขนาดไหนก็มาตรวจสํารวจตรวจสอบอ น, นะตำรวจตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการทานถึ ง, ถ, งถึงไหนศีลเป็นอย่างไรสมาธิเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงอ่อนน้อมอะไรได้บ้างวิญาวัจจะไมช่วยเหลืออะไร อุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลเท่าไราอะไรบ้างอนุโมทนาบุญกับใครบุญอะไรบ้างที่เราอนุโมทนาไปแล้วนนะแสดงธรรมมากี่ครั้งสาธยายพระสูตรมากี่ทีหรือว่าฟังธรรมมากี่มากี่เรื่องมากี่อย่างแล้วก็ทัศนคติของเราเนี่ยเป็นไปตามคําสอนแค่ไหนที่เรียกว่าบุญญากริยาวัตถุสิบต้องสํารวจตรวจสอบให้หมดเลยที่เรียกว่าตรวจสอบประจําปีไม่อย่างนั้นนะบอกโอ้อะไรจะขนาดนั้นปล่อยวาง ฟังให้ดีนะปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยไม่เหมือนกันปล่อยวางหมายความว่าเพิ่มพูนบุญกุศลจนเต็มที่แล้วปล่อยจากความสําคัญว่าเที่ยงปล่อยจากความสําคัญว่าสุขปล่อยจากความสําคัญว่ายั่งยืนปล่อยจากความสําคัญผิดว่าเป็นอัตตาอันนั้นคือความหมายปล่อยวางในพระพุทธศาสนาไม่ใช่ปล่อยปละละเลยไม่ต้องไปสนอกสนใจแค่ไหนก็เท่านั้นอ่ะเท่าไหนก็เท่านั้นอ่ะนะเคยเจอไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ พิษุทั้งหลายเธอจะรได้แค่ไหนมันก็แค่นั้นแหละเธอไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกก็เรามันบุญ น, น้อยเนี่ยนะเค<ช>ยได้ยินไหมพระสูตรแบบนี้นั้นคําพูดที่เราใช้พูดกันโดยมากพยายามสอบสวนกับพุทธพจน์ถ้าไม่อย่างนั้นอัปมงคลแน่เคยได้ยินไหมมงคลข้อว่าสุภาสิตาจายาวาจา การกล่าววาจาสุภาษิตนี่แปลว่าพูดตามพุทธพจน์เรียกว่าวาจาสุภาษิตทั้นคําที่เราพูดสอดคล้องกับพุทธพจน์ไหมเราต้องสํารวจน ะ, ะบางคนนี่อย่า ค, ค, คือเราจะพูดอะไรก็ช่างเถ อ, อ, เ อ, นนอนนะอย่าเชื่อใจหลายๆคนจนเกินไปอันนี้เราอย่าเชื่อใจหลายๆคนจนเกินไปโดยเฉพาะคนที่พูดไม่สอดคล้องตามพุทธพจน์นี่ต้องระวังให้มากๆเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้าเลือดเข้าเนื้อเลยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเข้าตัวเลยตกนรกเฉพาะตัวนะ นะเดี๋ยวเดี๋ยวเขามาจะเอาพระ ส, สูตรหนึ่งมาอ่านให้ฟังปีหน้าแล้วกันนะยังกันนานมากเลยนะเอา้าปีหน้าจริงๆเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้สำรวจตรวจสอบดูพันคนที่พอที่มีความการปฏิบัติที่คู่ควรที่จะเจริญกุศลธรรมคู่ควรแก่การบรรลุโลกุตระธรรมนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงไปสอน ถ้าเขาไม่สามารถจะปฏิบัติให้ตรัสรู้โลกุตระธรรมได้โดยมากพระพุทธเจ้าเลือกไม่สอนถามว่าทำไมเลือกไม่สอนเพราะอาจจะเป็นโทษตอบตอบเขานั่นแหละเป็นส่วนใหญ่เช่นไปพูดแล้วเขาหมดศรัทธาในพระองค์เนี่ยนะจริงๆแล้วพระองค์รอได้พระองค์ก็รอนะอย่างอย่างมาชอบในชาดกเรื่องในธรรมบบทเรื่องหนึ่งกล่าวถึงพระองค์เนี่ย วิธีสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้รีบเทรศรีบบรรยายปาตะกะะรถาเทศทีเดียวหมดปีดศรสามเนี่ยไม่ไปถึงไปหาไปโปรดพราหมณ์คนหนึ่งวันนั้นเนี่ยพราหมเขาเขาทํานาไปถึงพราหมณ์ก็กําลังโอ้ยทกเทรวะว่าอะไรนะตกแต่งพื้นนาเพื่อจะทํานาพุทธเจ้าไปถึงบอกพราหม์รราอะไรบอกทางยาจะทํานาพระเจ้าข้าเออทํานาเลยทํานาไปให้บินทบาตละคุยแค่เนี้ วันหลังก็ไปถามไปไง่ายพราหมณ์ทําอะไรบอกวันนี้จะไถานาพระเจ้าข่าเหมือนกันแล้วพระองค์ก็ไปบิณฑบาตไปพิสูจทั้งหลายเห็นพระพุทธเจ้าคุยกับพราหมณ์เอามั่งเขาเริ่มคุ้นเคยกับพระรัตนตรัยแค่นี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกผ่านไปก็หวานอ้าพราหมณ์ทําอะไรบอกหวานข้าวพระเจ้าข่าบอกทําอะไรเนี่ยดูแลน้ําให้น้ําเข้านาพระเจ้าข่ า, ก, ข า, า, า, ขาก็ถามไปเรื่อยๆเนี่ยจะเกี่ยวแล้วก็เลยคิดได้เออพระสมณะโคโดมนี่ก็เป็นเพื่อนเรานะมาคุยกับเราทุกวัน นะท่านก็ดีกับเรานะท่านก็ยังคุยกับเราท่านไม่ถือเนื้อถือตัวเออเดี๋ยวท่านสมณโดมเดี๋ยวข้าพเจ้าเก็บเกี่ยวเสร็จนะจะเลี้ยงท่านมือหนึ่งเลยนะเลี้ยงข้าวมือหนึ่งเลยว่างั้นเถอะอานะว่ะข้าวปีนี้ดีเหลือเกินเนี่ยนะเดี๋ยวเกี่ยวเสร็จนะเดี๋ยวได้เกี่ยวข้าวแล้วก็จะเลี้ยงท่านมือหนึ่งเลี้ยงข้าวมือหนึ่งเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ก็รับฟังอ่ะนะรับทราบเงียบแต่พระองค์รู้แล้วไม่ได้กินกันหรอกไอ้ข้ามพวกเนี่ยก็ตก วันพรุ่งนี้จะเกี่ยวข้าวคืนนี้ฝนลูกเห็บมันตกลงมาพัดเอาข้าวข้าวที่จะเกี่ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะลงไปสู่ทะเลหมดเลยพราหมณ์เนี่ยร้องให้เลยนะบอกหมดกันเนี่ยนะเสียอกเสียใจมากเลยนะโอุตส่าห์าทํามาตั้งปีหนึ่งนะทํามาตั้งปีหนึ่งไม่ได้เก็บไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยฝนพัดพาลงไปสู่ทะเลหมดนอนซมอยู่บ้านไปนะข้าวก็ไม่กินอะไรก็ไม่กินนอนซมอย่างเดียว พระพุทธเจ้าก็รู้แล้วผมก็ไปไปถึงก็ไปเห็นภริยาเขาพระมณีนะก็บอกเออพระเห็นพระมณีพระองค์ก็บอกว่าจะมาเยี่ยมพระามพระมณีก็ไปบอกพราหมณ์บอกว่าท่านพระหมณพระสมณะคููดมมาเยี่ยมท่านบอกว่าเออไปบอกท่านเธอไอ้ที่เราว่าจะเลี้ยงข้าวเราไม่ได้เลี้ยงแล้วเนี่ยบัดนี้ข้าวของเราเนี่ยนะมันถูกน้ําพัดไปหมดแล้ว เสียใจยจริงๆเนี่ยน ะ, ะพระองค์ก็บอกเฮ้ยอย่าไปคิดอะไรมากเลยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเนี่ยนะอันนั้ที่เรียกว่าศูนย์เสียใจเพราะเสียอะไรวนะน้ําตาที่รังไลเพราะเสียข้าวเสียปลาเสียเสียสิ่งเหล่านี้ยน้ําตามันมากพอแล้วเนี่ยนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยพระองค์ก็ค่อยๆแล้วพระองค์ก็แสดงทำให้เข้าฟังบรรลุเป็นพระโสดาบันนะนะเออบางคนในน้ําตาเช็ดหัวเ ข, าข่านี่ยแหะค่นั้นน้ำตาเปียกหมอนนอนคว่ำหน้าเฝ้าบ้านนั่นแหละจึงจะได้บรรลุที่แรกเลยเห็นครั้งแรกเลยทําไมไม่สอนเออเป็นอย่างนั้น พววันนี้เผื่อ ก, กันจะในน้ําตาเราตดบ้า ง, งไม่รู้เรียนมันทําำมาเรียนไปยังไงไม่ทราบน้ําตาก็ะท่วมเอาท่วมเอาอย่างที่โยมเขาว่าบอกว่าน้ําตาเขาเนี่ยมากกว่าบ่อน้ําข้างหน้าอีกเขาบอกกันไม่มีหรอกโทรมนัดสัมโพธชง